มองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้ขอหรือมองคนถ้าค้นหามีสิ่งสอนเสมอกันมีปัญญาจะพบว่าล้วนมีพิษอนิจจังจะมองทุกข์หรือมองสุขมองให้ดีว่าจะเป็นอย่างที่เรานึกหวังหรือเป็นไปตามปัจจัยให้ระวังอย่าคุ้มค้ั่งจะมองเห็นเป็นธรรมดา มองโดยในให้มันสอนจะถอนโศกมองเยกโยกมันไม่สอนนอนเป็นบ้ามองไม่เป็นจะโทษใครที่ไหนมามองถูกท่าทุกก็คลายสลายเองซึ่งก่อนนี้หลวงพ่อพุทธทาสแต่งไวด้ดีแต่งว่าให้คนเนี่ยให้เอาธรรมชาติไปครูสอนซึ่งธรรมชาติบางครั้งก็สอนดีอย่างช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวเดี๋ยวใสเดือนก็มาสอนทำเราแล้ว ใต้เดือนจะออกจากดินมาแล้วก็ตายโดนมดกินบ้างอะไรบ้างหรือบางช่วงหน้าฝนเนี่ยมดจะมีสัญชตาตญาณฝนฟ้าจะตกมดจะรู้ตัวก่อนคนอีกซึ่งถ้าเราไม่เชื่อมดบงังคตากผ้าไว้ผ้าต้องเปียกหรือเก็บของไม่ทันหรือบางครั้งคนที่ขัดใจเราก็สอนเราได้บางทีเราอาจจะเจอคนบ้ามัางสอบอารมณ์เราหรือทําไม่ทําตามบูรณาเพื่อดูว่าเรามีโทสะหรือไม่มีปฏิฆะหรือเปล่า ทุกคนก็สอบถามหรือเจอคนดีสุดแล้วคนดีคนบ้าสอนทาเราได้หมดอ่ะสัตว์ก็สอนทาเราได้หมาแมวไก่นกเป็นอาจารย์เราได้หมดซึ่งคนเราเนี่ยส่วนมากที่ทุกนเนี่ยเพราะวางจิตได้ผิดคือมางั้งเปรียบเทียบคือไม่ยินดีสิ่งตัวเองมี แต่ไปดันไปชอบสิ่งที่คนอื่นมีบางคั้งก็ทําให้ตัวเองทุกข์คือไม่ยินไม่ยินดีแล้วพอใจสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อย่างนี้มาจะเล่าทิฏฐานให้ฟังเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้คนแต่งก็คงจะแต่งกับเสียดสีไม่ใช่เรื่องจริงอแต่ก็แต่งไว้ดีก็มีกบอยู่ตัวหนึ่งก็อาศัยอยู่ในวัดอะข้างสระน้ํากบตัวนี้ไปกบที่ฟูกซ่าน ตอนเช้ามาก็เห็นพระถือบาทออกวินทบาตรพระพระบินทะบา ท, าาาบาทกลับมาก็ได้อาหารมาเต็มเลยกบก็มีความสุขเอี่เป็นพระสบายไม่ต้องทําอะไรแค่เดินไปก็ได้อาหารมาแล้วอยากเป็นพระมั่งพอพระฉันอาหารเสร็จพระก็อปโปรให้ไก่กินซึ่งกบเห็นไก่รู้สึกว่าไอ้ไก่ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเหนื่อยด้วยพระวินทะบาทเหนื่อย เสรแล้วไก่ถ้ากินอาหารไม่ต้อไม่ต้องทำอะไรเลยสบายเป็นไก่ดีกว่าตอนที่กบอยากเป็นไก่ละพอสักพักหนึ่งไก่กำลังกินอาหารจิกขุยเขียยังมีความสุขก็มีหมามาไล่คือหมาจะไปย่งอาหารไก่แหละเลยเอาไก่กระเจิงเลยกบสังเกตเห็นโอ้โหหมาหมานี่หมาีด่ดีกว่าไก่นะไก่กลัวหมาเป็นหมาดีกว่าตอนนี้อยากเป็นหมาขึ้นมาละพอสักพักหนึ่ง หมากำลังกินอาหารเพลินๆเด็กวัดสืกหมันไส้พรอเมื่อกี้มาไล่ไก่อ่ะถือว่าบิดเบี้ย น, นสัตว์ตัวเล็กกว่าก็มาไล่เตะไล่เตะหมาหมาก็กลัววิ่งหนีไปไก่ก็ว่าโอ้โหเด็กเด็กวัดขนาดนี้แล้วคนโตจะขนาดไหนเป็นคนดีกว่าเป็นคนน่าจะน่าจะมีความสุขกว่าเป็นเป็นเป็ น, ปนหมาพอเด็กวัดเตะห ม, มาเสร็จก็ไปนั่งพักเหนื่อยสักพักหนึ่งก็มีแมงวันเนี่ยมาตอมแข้งตอมขาจนเด็กวัดบ่น บ่นด่าแมงวันแล้วก็เดินหนีไปกบก็มีกวา่าเลยเอ๊เด็กเด็กก็สู้แมงวันไม่ได้เป็นแมงวันดีกว่าแ ม, แมงวันแน่กว่าพอคิดไปคิดมาสักพักหนึ่งแมงวันไม่รู้บินท่าไหนมาใกล้ใกล้ใกล้ ก, ล ก, ลกบอ่ะกบก็มีสัยชัยานที่ไวก็เอาลิ้นตวัดวัดเข้าปากแล้ว ร, รู้สึกตัวมาเอ๊ะเป็นกบดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยกินแมงวันได้ กบก็เลยมีความสุขวา่าเอ๊ะเป็นตัวเราดีกว่ามีความสุขเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วก็มีทายเรื่องหนึ่งท้ายกันคนแต่งคนแต่งก็แ ต, งแต่งไว้ทำนองเดียวกันแหละเป็นเรื่องมีหมาอตัวหนึ่งหมาตัวนี้กำลังนั่งเล่นอยู่เพื่อนั่งเล่นในวันพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์ก็ส่องสว่างสวยไปทั่วมาเห็นพระจันทร์ก็มีความสุขเอ๊ะเราเป็นพระจันทร์ดีกว่าก็เลยตั้งจิตอธิษฐาน ขอตัวเองเป็นพระจันทร์ด้วยบุญบา ร, รมีที่เราสะสมมาขอให้เราได้เกิดเป็นพระจันทร์่ะแล้วความหวังของหมาก็ประสบความสาเร็จหมาก็กลายเป็นพระจันทร์ลอยลอยข้างบนมองโลกด้วยความสุขแต่อยู่มาระยะหนึ่งพอมองไปมองมาสักพักมีเมฆเมฆลอยาบางพระจันทร์บางแบบมืดมิดเลยส่องอะไรไม่ได้ตอนนี้พระจันทร์เริ่มเซ็งละ อธิษฐานจิตข อ, ขอเกิดเป็นเมฆดีกว่าเพราะเป็นเมฆนี่ลอยไปลอยไปลอยมาแบบอิสระเป็นรูปร่างอะไรก็ได้อ่าพอพอเป็นเมฆก็ลอยไปลอยมาอย่างมีความสุขอ่าสักพักหนึ่งเกิดลมลมนี่ก็พัดแรงพัดเมฆปิวเลยปิวเป็นปิวแบบไม่ไปที่ไม่ไม่ไปที่เป็นทางอะ่ะจนจนเมฆ ร, รู้สึกเซง็งก็เลยมีความสุขขอเกิดเป็นลมดีกว่า ว่าแล้วเมฆก็ดีฐานจิตขอเกิดเป็นลมพอได้เป็นลมสมใจในนี้ก็พยองพัดต้นมงต้นไม้ละเนี่ยหน้าหมดเลยพัดบ้านพัดช่องตอนนี้กำลังพะนองแต่ไปเจอจอปลวกที่ใหญ่อยู่จอปลวกหนึ่งพัดเท่าไหร่ก็ไม่สะเทือนลมก็พัดจนน่าพัดจนเบื่อจนเซ็งก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเกิดเป็นจอมปลวกดีกว่าว่าแล้วก็ดีฐานจิตขอเป็นจอมปลวกพอเป็นจอปลวกทีนี้ก็มั่นคงอยู่ก่าที่ แต่พอมพอเป็นจอปวดระยะหนึ่งก็มีควายหนุ่มตัวหนึ่งซึ่งควายหนุ่มก็รู้สึกอยากจะรับเขาเพื่อให้เขาคมหรือหรืออาจจะลาคาญก็ได้ก็เลยมามามากวิดจอมปวกทีนี้จอปวกรู้สึกเจ็บอ่ะควิดไปควิดมาเริ่มพังก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นจอปวกไม่ เ, เข้าท่าแล้วขอเกิดเป็นควายดีกว่าว่าแล้วก็ดิถานจิตให้เป็นวเป็นควาย พอเป็นควายก็ไปกินหญ้าตามทุง่งนายอย่างมีความสุขแต่พออยู่ได้สักพักหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่สละและมีอะไรล่ามๆ ล, ล, ล่ามที่จะหมูอ่อ่ะคือเชือกนั่นเองมีเชือกควายก็ชักเซงแล้วเฮ้ยเราเกิดเป็นเชือกดีกว่าเชือกได้เป็นเจ้านายของควายว่าแล้วก็ที่ฐานจิตขอเกิดเป็นเชือกพอ เ, เกิดเป็นเชือกสักพักหนึ่งก็เริ่มเซงแล้วเพราะว่ามีหนูวัแทะหนูวัดแทะไปแทะมาเชือกล้นรู้สึกว่าเจ็บเริ่มขาดบ้างเปื่อยบ้างไม่ไหวเราเกิดเป็นหนูดีกว่า แล้วก็ดิฐานจิตขอตัวเองเป็นหนูพอเป็นหนูสมใจทีนี้ก็วิ่งทเที่ยวเล่นไปทั่วไปแทะนูน่นแทะนี่อย่างมีความสุขเผอเอ๋ยไปเ จ, เจอเจ้าถิน่นเจอแมวอยู่ตัวแมวก็ไล่หนูแบบอุตรุดเลยไล่สุดชีวิตหนูก็หนีตายสุดชีวิตพี่ฟ้องสึกว่าเอ๊ะหนูนี่ไม่ไหวแล้วเป็นหนูที่ทุกข์จริงต้องมาหนีแมวแบบนี้เขาเกิดเป็นแมวดีกว่า ไปแล้วก็ดีฐานจิตขอตัวเองเป็นแมวพอเป็นแมวทีนี้ก็ขึ้นหลังคาปีนหุน้นปีนนี่เที่ยวเล่ น, ม, นมีความสุขเลยวพาแมวคล่องตัวไปไหนก็สะดวกใช้มงคืนก็ตาสดใสมองอะไรก็เห็นพอเป็นแมวได้พักหนึ่งเพ อ, เอไปเจอหมาเจ้าถิ่นเขาหมาก็ไล่ไล่ฟัดแมวเลยแมวก็หนีสุดชีวิต สะานก็คิดไปเลเอ๊ะเราเป็นหมาเนี่ยเริ่มปิงขึ้นมาเราเป็นเราเฮ้ยเป็นหมาดีที่สุดแมวจะต้องหนีหมาเลยสุดแล้วเนี่ยนิฐานเรื่องนี้ก็สอนให้เราเนี่ยเป็นตัวของตัวเราเองดีที่สุดทุกคนจะรักชีวิตของเราต่อให้คนจนขนาดไหนนะจะมีคนมาขอซื้อลูกตาเนี่ยเราจะขายไหมขอซื้อแขนนข้างซื้อ อ, อวัยวะต่างๆเนี่ย ด้านลานเนี่ยคิดว่าคงไม่ขายนะเพราะทุกคนเนี่ยเขจะพอใจรักชีวิตตัวเองเพราะแต่ละคนจะมีบุญกรรมไม่เหมือนกันนะบางคนก็สร้างเหตุเกิดมารวยเกิดมารูปร่างหล่อสวยมียศมีศักดิ์ศรีเราสร้างเหตุไม่เหมือนกันบางทีเราก็ต้องรับชะตากรรมอะแล้วสามารถสร้างเหตุใหม่ได้อย่างเรามามืดเร า, ส า, ารสามารถไปสว่างได้ถ้าเราพัฒนาตัวเอง แต่บางคนเนี่ยเกิดมามีทุนเก่ามาเยอะแต่ไม่ยอมพัฒนาเลยมาสว่างแต่ไปมืดก็มีคือว่าเกิดเป็นลูกเศรษฐีแล้วก็ทำตัวเหลวไหลตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กเศษเอาไปยมุกทุกอย่างซื่นก็ชีวิตก็ตกต่ำเรื่อยๆทรัพย์สม บ, บ, บัติก็รักษาไว้ไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่ามาสว่างแต่ไปมืดวัดวาไม่เคยเข้าธรรมะไม่เคยเรียนคือไกลวัดมีแต่สร้าง บ, บาปสร้างกรรม แต่ถ้าเราเราเกิดมาเนี่ยเรามามืดเนี่ยเราสามารถพัฒนาให้ไปสว่างได้เราเจียมตัวเราเรารู้ว่าเรายากจนเราก็ขยนันทำมาหากินอดทนหนักหนักเบ า, าสู้ขับรถผู้ใหญ่ทำตัวไว้ประพฤติดีๆเนี่ยเราก็สามารถพัฒนาให้เรามีคนมีฐานะดีขึ้นได้ยกระดับได้เรามีควารมรู้เราก็เรียนเรียนหาแสวงหาควารมรู้ซึ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยฟาดินเนี่ยให้โอกาสเราหมดหรือเราจะเลือกหรือไม่เลือกทุกคนเลือกได้หมดเราจะไปเกิดพวกภูมิไหนเราเลือกได้หรือเราต้องการถ้าเราอยากไปมรรคทิพย์เราเราก็ต้องภาวนาเจอะสะติปัฏฐานสี่เราอยากไปสวรรค์เราก็ต้องทําบุญแล้วก็รักษาศีลห้าแล้วก็มีหีเโอตปะละายชั่ว บวบารอันนี้คือทํามของเทวดาเราอยากเป็นพรมเราก็ต้องมันนั่งสมาธิหรือฝึกให้ได้ฌานมีผมวิหารสี่เมตตากรุณาเมตตาเบาิกขาแต่ถ้าเราอยากจะไปเกิดเป็นสัตว์อะกอันนี้ง่ายทําง่ายแล้วก็เสพอ้บุ๊ค เ, เยอะๆแล้วก็ขี้โกรธขี้โมโหมากเพราะไปอะลกได้เนี่ยจิตมันต้องอาศัยโทสะเป็นตัวนํา น, นี่ได้ไปนรกสมใจแนะ่หรือแม่แต่เนรคุณคนเล่าว่าอ น, นี้ไปแนะ่แต่ถ้าอยากเป็นเกิดมันเป็นมนุษย์อีกเราก็ต้องรักษาศีลห้ารักษาศีลห้าแล้วก็มีความกตัญญูแล้วก็มีคุณธรรมอันนี้ยเราก็ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกถ้าเราอยากพิสัสดีรฉ า, านแล้วก็แล้วก็บุงแต่งบุกสร้างมากๆเพราะสัตว์พวกภูสัตว์เดรฉ า, านนี่คือโง่เขา่าแล้วก็มึนงง เรปรุงแต่งมากแล้วก็เข้าไปได้ความคิดลึกๆอ่ะเดี๋ยวได้เป็นแน้ไม่ต้องห่วงเพราะเราแบบพสานจะไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาอะไรรู้แต่แห่เสพกรามแล้วก็กินตามสาญชิยาณเพรานั้นคือพัฒนาตัวเองไม่ได้เลยถ้าเราอยากเกิดเป็นเป็ดล้วก็โลภเยอะๆแล้วก็ขี้เหนียวอะได้เป็นสมใจแน่คือจิตคิดเอาอย่างเดียวอ่ะไม่คิดจะให้อ่ะอันนี้เป็นเป็ดน่ะ เราสร้างเหตุเอาไว้แล้วก็ถ้าอยากเป็นอสุรกายแล้วก็ขี้กลัวมากกลัวไอ้นู่นกลัวไนี่วิตกเจริตคือกลัวหมดอะกลัวผีกลัวตายกลัวทุกสิ่งทุกอย่างอันเนี้คือพ่อปูงอสุรกายซึ่งต้องหลบหล่อนซ่อนซึ่งทุกพ่อปูงเนี่ยเราสร้างเหตุได้หมดแต่พระเจ้าก็ให้เราออกจากกองทุกแล้วคุณเป้าหมายคือไปมรรคผลนิพพาน คือไปช้าไปเร็วก็ขอให้เรามีเป้าหมายอ่ะคือเดินไปดีกว่าไม่ดีกว่าไม่คิดจะไปแต่ถ้าอยากกลับมาเกิดอีกบางทีเราเกิดซวยๆขึ้นมาเนี่ยอาจจะไปตกอยู่ภูมิทั้งหกอ่ะพราะองศาแล้วก็ยาวไกลยิ่งไปตก เ, เป็นภูมิเศรษฐีฉาดขึ้นมายากเพราะสัตว์ะจะไม่มีปัญญากว่าจะหมดเวรหมดกรรมนานมากอันนี้เราจะเราอยากเสี่ยงเราก็ต้องพยายามให้ตวเอาตัวให้รอดไ ด, ได้ต่อจะตายเนี่ย อยาาวางจิตให้เป็นคิดแต่เรื่องสิ่งที่ดีๆเพราะบาปเนี่ยเปรียบเหมือนก้อนหินซึ่งก้อนหินเนี่ยสมมุติเราทําบาปไว้มหาศาลเนี่ยถ้าเราตอนตายเนี่ยเราคิดถึงบุญเพื่ได้ชุดหนึ่งเนี่ยเราสามารถรอดได้เพราะบุญเนี่ยเปรียบเหมือนเรือสามารถรองรับบาปได้ทั้งหมดทั้งคนเราก่อนจะตายจยึงสําคัญมันวางจิตให้เป็ น, นอันตรายมากเลยบางทีเป็นนึกถึงเรื่องที่ไม่ดีชุดเดียวละไปเลย แต่ในไอมณฑศาสตร์ของทิเบตอะถ้าใครถ้าใครสามารถผ่านทุกมิติที่มันทุกนิมิตที่ปรากฏได้นะก็สามารถไปถึงบระโุนทิพานได้อยู่เหมือนกันแต่ส่วนมากไปไม่ค่อยรอดโดนนิมิตชุดแรกก็ไปแล้วมันจะมาลอ่อเราไปเกิดเป็นนู่นเป็นนี่ซึ่งหลวงวิเทียนหลวงพบพุทธทาสจะพูดตรงกันคือก่อนระดับจิตหาที่สุดท้ายเนี่ยชุวนีช่วงนี้ทิพานจะเปิด เราสามารถตกกระไดพลอโจรได้ เ, ไเดี๋ยวเราปฏิบัติทรรมห็รูปนามเนี่ยอาจจะไปเห็นตอนจะตายก็ได้แต่ขอให้เชื่อว่าสิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดเนี่ยมีอยู่จริงและเปี่ยทางรอดของทุกคนด้วยเพราะว่าเราฟุกตกกระไดพลอยโจรพิบาตเนี่ยเราก็รอดอ่ะเราตั้งจิตไม่อยา ก, กเกิดเป็นอะไรแต่ถ้าเราอยากเกิดเป็นด้วยป็นนี่ก็ช่วยไม่ได้เราก็ต้องไปตามที่เราอยากละเพราะสัตว์ทั้งหลายก็ไปตามที่ตัวเองชอบอ่ะไปสู่ที่ชอบที่ชอบ อาตมาก็จะพูดเรื่องสเปยระพิจิวะ ไ, ได้ก็พูดไปเรื่อยก็จะพูดเรื่องอีกอีกวันมาลืนเนี่ยก็จะเป็นวันรับกรถินของวัดเราแล้วพระป่าสุกัโตก็จะมีงานกระถินก็ถือเป็นงานใหญ่เป็นงานที่ญาติโยมมาทำบุญกันเยอะเพราะว่าเรากเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมีหลวงพ่อขอมเขียมีอาจารย์ไปสารซึ่งคนคนก็รู้จักกันมากมีลูกศิษย์ลูกหามาก วันที่สองพรุ่งนี้วัดเราก็จะร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาวัดคือทำความสะอาดทู่ทั่วไปห้องน้ำศาลาหน้าพัฒนาทางเดินต้นไม้ลกๆเอาออกห้องซ่วมสกรปรกก็ทำให้สะอาดประดับประดาให้แบบรับแขกซึ่งงานพวกนี้เป็นงานใหญ่จะต้องอาศัยความสามัคคีของคนส่วนรวมเก็บขยะเนี่ย ซึ่งคนมักง่ายจะมีมา ก, กาคนรักษาความสะอาดถ้ามาเช็คเช็คดูนะเพราะว่าคนเนี่ยบางทีกินกล่องนมก็เฟี้ยงทิ้งเลยซึ่งไม่มีสามารถสามารถสำนึกกินขวดน้ำก็เวี้ยงทิ้งซึ่งเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยเป็นบาปและและจิตต์ตันีก้กวจะบันทึกนะคนประเภทเนี้มีคนมักง่ายเอาดีไม่ค่อยได้แต่บางคนเนี่ยเห็นก็จะเก็บเก็บเองโดยไม่รอให้ใครบอกเห็นขยะตรงไหนขวดน้ำหรือเก็บอัตโนมัติ น, นี่คือการทําบุญ อีกฝ่ายนึงทัดโยนบาปให้อีกฝ่ายหนึ่งสร้างกุศลได้การวางจิตเนี่ยสําคัญแล้วคนเราจะจะมีนิสัยไม่เหมือนกันบางคนเร็วดยสันดานบางคนเนี่ยดีโดยสันดานอยู่ที่การสะสมผู้ดีโดยสันดานเนี่ยพัฒนาได้เร็วโดยสันดานบึงทีก็ลำบากบางทีกูบาอาจารย์สอนก็ไม่ไม่ฟังด้วยแหละเพราะว่าปัญญาไม่รับสอนเท่าไหร่ก็ฟังหูซ้ายทะลุขวาแล้วเข้าใจอะไรยาก อย่างระบายเล่านิทายให้ฟังแต่ทนิทายเรื่องนี้เรื่องจริงนะมีหลักฐานเรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วก่อนสมัยพุทธกาลอีกมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่ามค ะ, ะมานพซึ่งชายคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีงามมากชอบช่วยเหลือสังคมหมู่บ้านที่ที่มานพนี้อยู่ก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆไม่ใหญ่อะ่ะคือสมัยนูน้น ไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเท่าไหร่ซึ่งมาน้องคนนี้เป็นคนขยันแกก็มีความรู้สึกว่าเออเราจะพัฒนาชุมชนเราให้ผู้คนเนี่ยเกิดประโยชน์เลยททำความสะอาดอนาบริเวณถนนผนทางที่ชำรุดสึุดโซมเป็นหลุมเป็นบอ่อก็หาดินมากบตรงไหนที่พักขาดแคลนแกก็สร้างศาลาขึ้นมา หาน้ำหาท่าไปวางไว้ให้คนสัญจรมาได้ดื่มได้กินซึ่งมามะค้ามาโนบ่ยทำทุกวันกลับกลับกลับบ้านก็เย็นจนเพื่อนเพื่อนสงสัยเอ๊ะไปทำอะไรมาซึ่งมะค้ามาโนก็บอกว่าไปไปทำบุญชำระทางสวรรค์มาเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในวัยหนุ่มเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสามสิบสามสาสิบคนเนี่ยรู้สึกว่าชอบใจ เห็นด้วยกับวิธีทําบุญแบบนี้ก็เลยมาร่วมทําด้วยเห็นตรงไหนไม่ดีก็มาช่วยปรับปรุงพัฒนาซ่อมแซมให้คนส่วนรวมเน่ยสัญจรไปมาได้รับความสะดวกต้นไหนไม่มีถนนก็สร้างถนนต้นไม้ตรงไหนต้นไม้ล้มฝางทางก็ออกซึ่งจะทําทอยู่เนี่ยเกือบเกือบตลอดมาค้ามานบเนี่ยเป็นคนที่ชาวบ้านศรัทธานะ เพราะแกเป็นคนมีปัญญาแกก็บอกใชาวบ้านเนี่ยรักษาศีลไม่เปียนสัตว์แล้วก็เลิกเลิกกินเหล้าให้มาให้มาแบบปฏิบัติธรรมทาคุณงานความดีซึ่งคนก็เชื่อเพราแกมีปาบีเพราะแกพูดแล้วแกทําเป็นผูน้นํำคนก็ทําตามกันแล้วทําตามมาตลอดชีวิตเลยในหมู่บ้านนั้นก็ชุมชนนั้นก็มีความสุขเต็มด้วยความสา ม, มัคคีคือมาฆามานติจะเป็นคนไม่โกรธนะ เป็นคนที่มีได้ให้ตลอดชีวิตอะคือช่วยคนอื่นตลอดชีวิตเลยด้วยนิสงนี้พอตายไปก็ได้เกิดเป็นเท้าสกะเท้าสกะก็เป็นพระอินทร์ก็มีทิพยสมบัติมีลูกมีเทวดามีนางฟ้าเป็นบริวารมากมายแล้วก็มีอายุนับประมาณไม่ได้ซึ่งหนุ่มๆที่เนเพื่อนพอตอนตายด้วยกันหมดก็เป็นเป็น เ ท, เทวดากันหมดเลยเพราะว่าก็าถือว่าครบบัณฑิตเป็นมิตรเนี่ยก็ไปสวรรค์กันหมดการครบคนดีเป็นสิ่งที่สำคัญนะถ้าเราครบคนไม่ดีเนี่ยก็พาเข้าลุกเข้าพงเลยเพราคนเร า, เยราอย่าคบกับได้ธาตุอยบางคนเนี่ยเป็นคนดีอยู่พอไปคบเพื่อนที่ไม่ดีอ เ, เพื่อนติดยาบางทีเราก็ไปติดยาด้วยบางีเห็นเพื่อนดูกุหลาเนี่ยเห็นว่าเท่เราก็ไปดูดเข้าสังคมเขาด้วย บางคนเนี่ยที่เล่าไม่เป็นก็หัดกินรู้สึกว่ากินแล้วเท่พอกินไปทีได้จิตมันพอสัดายก็จิตเนี่ยเรื่อ ง, งชั่วมันหัดง่ายแต่เรื่องดีมันไม่หัดไม่ค่อยเอาหรอกบางคนเล่นพไพ่ไปเป็นเอาไปหัดเล่นพอหัดเล่นก็เก่งขึ้นมาแป๊บเดียวก็เก่งล้วเรื่องเรื่องพวกนี้ที่เล่าดูบุหรี่เล่นไพ่เล่นมา้าแล้วก็เอาไปยามุกทุกยูนิตเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตชอบเพราะว่าจิตคนเราจะไหลลงทั้งตำ่ำ แทบไม่ต้องหัดอะไรเลยนะตัวมตัตดบททว น, ทนเนี้ยแต่สิ่งดีๆมันจะฝืนต้องหัดหัดมาทําบุญใส่บาตรหัดมานั่งเข้าวัดนั่งสมาธิถือศีลเนี่ยเป็นเรื่องทํายากซึ่งทางก็ต้องฝืนน่ะต้องมีกัลยาณมิตรต้องคบคนดีอ่ะซึ่งถ้าครบคนไม่ดีไม่มีทางเลยเพราะมันก็พาไปเข้าบ่อนเข้าสารเรื่องลม ไปในที่อันตรายด้วยนะพวกนี้กขบางทีก็ยิงปืนข้ามหัวก็มีแต่คนก็ชอบชอบกันบางทีก็ประท้วงกันก็ไปประท้วงกันโดนยิงตายก็มีเหยียบกันตายก็มีแต่วัดวาเนี่ยเปิดเป็นที่ ส, สงบเข้ามาแล้วมีความสุขเย็นคนไม่ค่อยอยากเข้ากันในคุกตารางเนี่ยปิดแต่คนกับชอบเข้าซึ่งก็แปลกเหมือนกันนะสังเกตในตารางอีกคนเข้าไปเต็มเลยทั้งนี้ตารางที่ปิดนะประตูปิดนะตารางเนี่ยไม่ได้เปิดนะ ในประตูวัดได้ปิดอ่าตอนรับมาตคนตลอดคนกลับมาเข้าวัดกันเอาทีเข้าวัดเขาผิดวัดก็มีแตเข้าวัดที่เขาเที่ยวไล่บุญเข้าวัดที่มิจฉาที่โดนต้มก็มีคนเราบางทีไม่มีปัญญาไอ้วัดที่เขาสอนฮะสอนทำไม่หวังผลตอบแทนก็มีไม่เข้าไปเข้าวัดที่วัดโจรก็มีก็คนเรานี่ก็ไปแบบเนี้ย หรือไม่ก็ไปเข้าวัดงมงายไปเล่นพวกไสยศาสตร์ไปบูชาศีกศิษิ์ก็เยอะซึ่งไม่เกิดปัญญาอะไรก็ีถูกหลอกลวงซึ่งธรรมะจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเน้นให้ให้ดับทุกข์ทาลายความเห็นแก่ตัวให้ออกจากกองทุกข์ทั้งอื่นนะไม่ใช่นะอย่างพวกอย่างอื่นอย่างพวกฤทธิ์พวกเดช พระพุทธเจ้าก็ไม่สารเสวนเพว่าพวกฤทธิ์ในผู้เล่นกลก็ทำกํำมาได้สมัยพุทธกาลเนี่ยจะมีพวกฤทธิ์จะมีฤทธิ์บิชาลแสดงฤทธิ์ได้เยอะแยะเลยซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตําหนิอย่างที่อาจารย์วราชัยเทศเมื่อสองวันก่อนอะเป็นเรื่องที่ว่าเอาบาดแก่นไหม้จานเลยที่ว่าที่ว่าพระอรหันต์ไปเหาะไปเอาอะนั่นก็โดนตําหนิแล้วมีหลายเรื่องที่สมัยพุทธกาลพระมีฤทธิ์เยอะเพราะสมัยนู้น มีตาที่ผูทิพย์แต่พระทธเจ้า ก, ก็ไม่แสนเสรน์แต่ที่พระอรหันต์มีได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยสั่งสมมาทางนี้ไงที่บำเพ็ญภาวนามานานพอตัวเองา ป, ปฏิบัติธรรมแล้วพอบรรลุธรรมขึ้นมาก็าลากเอาของเก่าที่เองมีอยู่ด้วยมันเขามีมโนยุทธิมันเขามีปัญญามากซึ่งแต่ละคนจะมีความสามารถไม่เหมือนกันอย่างวัดเราเนี่ยพระอโยมเนี่ยก็มีความสามัคคไม่เหมือนกัน บางคนก็เก่งทางด้านช่างบางคนก็เก่งทางก่อสร้างบางคนก็เก่งทางเขียนแบบบางคนก็เก่งทางเทศบางคนก็เก่งทางคอมพิวเตอร์บางคนเก่งทางหมอบางคนก็เก่งทางกับข้าวบางคนเก่งทางปลูกต้นไม้บางคนก็เก่งทางเก่งทางแบบบริหารจัดการติดต่อธุระซึ่งแต่ละคนฟาสามารถจะไม่เหมือนกันนะ ถ้าเราใช้ความสามารถของคนไม่เหมือนกันเนี่ยเอามารวมกันได้เพราะสิ่งที่ขาดไมักจะอยู่กับเพื่อนไม่ได้อยู่กับเราแต่เราคิดว่าเราเก่งเนี่ยเราเสร็จเลยอย่างอาบาสังเกตอาบ า, าก็ได้สิ่งที่ขาดจากเพื่อนอั่งนั้นเลยแหละพอเราคอมเราเจ๊งอ้าวเราก็หาคนที่เก่งมาช่วยทําให้คอมเราก็ใช้งานได้ตลอดหรือบางอย่างที่เราขาดนึกอะไรไม่ออกอา้าวพวกเพื่อนๆที่เก่งกว่าเขาก็ช่วยเราบางทีเราไม่รู้อะไรเขาก็ช่วย ทุกคนยังเติมเติมสีที่ขาดได้แต่บางทีเขาขาดในสิ่งเรามีเราก็ช่วยเขาต่อเติมมาได้หมดคือความสมดุลคือพึ่งพาใาัยกันแล้วก็ลงครัวนี่ก็สาคัญทําอาหารเราทานบางทีถ้าเราเก่งแต่ว่าไม่มีอาหารกองทัพต้องเดินได้ท้องประอดก็สวยเลยเกิดวันไหนแม่ชีประท้วงไม่ทําอาหารให้กินเนี่ยนั้นทุกคนเนี่ยจะมีความสําคัญหมดในวัดนี้นั้นเราใช้ความ ความสามารถแต่ละคนเนี่ยมาทำประโยชน์ได้จะเกิดประโยชน์ได้ก็ต้องมีสามัญสำนึกมีความสามาคัคคีถ้าชุมชนใดนะไม่มีความสามัคคีนะชุมชนนั้นก็เสื่อมอย่างทำที่เป็นไปเพื่อความเจริญเจ็ดอย่างอไปหานิยธรรมเนี่ยคือหนึ่งมันประชุมกันอยู่เนืองนิดแล้วก็สองเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุม เวาเลิกก็เลิกพร้อมกันแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันทํากิจของสองหรือชุมชนนั้นนั้นแล้วก็สามไม่บัญญัติสิ่งนี้พระเจ้าบัญญัติไว้แล้วก็ไม่รื้อถอนในสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติไว้แล้วก็ตั้งใจสภาทานศิกขาหรือเคารุระทามวินยัยแล้วก็สี่ เขารบประธานสงฆ์ประธานสงฆ์ที่อาจจะเป็นเจ้าวาดหรือเป็นครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในที่นั้นแล้วก็ห้าไม่เห็นกน็ไม่ทยานอยากทยะยานอยากอะไที่อาจจะหมายถึงว่ามีกิเลสแบบน่าเกลียดอะอยากลุกคุณอยา ก, น, ยาก น, นี่อยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่หรือโลภจนเห็นได้ชัดอันนี้หรือมีนิสัยที่ไม่ดีทําตามใจตัวเองทำให้เสียภาพโพสส่วนรวมอันนี้เราก็ต้องระงับไว้ แล้วก็หกยินดีในเสนาสนะป่าอันนี้บางที่อาจจะไม่มีป่าคือยินดีในการปิดวิเวกการไม่คุกครีบบุคคณะเมื่อการภาวนาหรือการฝึกจิตหรือดูจิตดูใจตนเองเพราะว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแบบจำแบบนกแก้วนกอุทองมาพูดเนี่ยซึ่งประโยชน์น้อยเวลาเกิดอะไรกระทบเนี่ยมันใช้การไม่ได้ ไหมเราต้องฝึกจิตอันนี้สำคัญ่าฝึกจิตอาจจะเจริญสติอย่างแนวหลวงวัฒเทียนเนี่ยก็วัดเราเจริญแนวหลวงวัฒเทียนอันนี้มีประโยชน์มากถ้าจิตตื่นตัวเวลาเกิดโลกระทบเนี่ยปั๊บเดียวก็หลุดได้แล้วถ้าโกรธก็โกรธได้ไม่นานแต่ถ้าคนไม่ไม่ฝึกเลยนะแบบมันเข้าเป็นผู้เป็นเนี่ยโกรธแล้วโกรธนานคือคิดอะไรก็ติดอะติดติดอารมณ์อย่างพวกนักปฏิบัติเนี่ยภาษาที่เขาใช้คือติดอารมณ์คือคิดเท่าไหร่ก็ติด แต่พวกไม่ติดอารมณ์คิดเท่าไหร่ก็ไม่ติดคิดแล้วก็ผ่านอันนี้ไม่ติดอารมณ์แล้วเราก็ต้องอาศัยการปีติเวงในสําคัญปีิเวงแล้วก็กริยามิตรอันนี้สำคัญมากแล้วข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดนี่เราก็ตั้งจิตอิสานพระภิกษุหรือสามเณรผู้มีศีลที่ยังไม่มาขอให้มามาวัดเราที่มาแล้วขออยู่เย็นเป็นสุขแต่ข้อนี้แต่ถ้าไม่มีศีลก็เราไล่เหมือนกันนะ เอามาที่พี่าฏเลยคนไม่มีสินมาเข้าสังคมคนมีศินนี่บลายทีนชุมชนเราียถ้าแข็งเนี่ยใครเลทเทมาลองไล่มือนกันคือไปเมตตาซีซัวไม่ได้เดี๋ยวโจรโจรเต็มวัดเลย น, น, นั้นถามแม่เสื่อมเจตประการเนี่ยชุมชนใดมีวัดใดมีเนี่ยเป็นเจริญฝ่ายเดียวเลยไม่มีเสื่อมเลยเพราะประชุมกันเนี่ยเราก็สามารถได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นสเสนอไอเดียใหม่ใหม่ ซึ่งวัดเราก็จะพัฒนาเรื่อยๆในชุมชนนั้นก็พัฒนานยเรื่อยซึ่งต่างคนดังอยู่เนี่ยบางทีก็ไม่รู้ไอ้คิดอะไรอยู่หรือบางทีเราคิดเองก็มีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้คิดด้วยต่างฝ่ายหนึงคิดลบทีก็ทีก็ทีก็ยุ่งละนอกจากไม่พัฒนาแล้วกลายเป็นเข้าใจกันผิดด้วยไม่เคียบปัญหาบางทีกลายเป็นว่าเพิ่มปัญหาการประชุมเลยจึงสําคัญประชุมกันเป็นนิดแล้วเลิกพร้อมเพียงอันนี้คือวามสามัคคีบุกคลาซึ่งถ้าวัดเรามีอย่างนี้ชุมชนเราเปอย่างนี้นะ ก็มีความผาสุกความเจริญอย่างหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านก็แต่งกอณ์ไว้เกี่ยวทํางานหลายกรณเนี่ยมาเล่งให้ฟังกรณ์การทํางานคือการปฏิบัติธรรมอันการงานคือคุณค่าของมนุษย์ของมีเกียรติสูงสุดอย่าสงสยัยถ้าสนุกด้วยการงานเบิกบานใจไม่เท่าไรได้รู้ทำฉ่ําซึ้งจริงเพราะการงานคือการประพฤติธรรม กุศลกรรมก้ามปนมามีค่ายิ่งถ้าจะเปรียบก็เปรียบคนฉลาดยิงนัดเดียววิ่งเก็บนกหลายพกมาคือการงานนั้นต้องทำด้วยสติมีสมาธิขันตีมีอุตสามีสั จ, จธรรมมีปัญญามีศรัทธาและกล้าหารรักงานจริงอันนี้เมื่อก่อนมาไปอยู่วัดเขาสวัดดีวันนั้นไว้กับประฐานนะก็เอกรหลวงอท่านเนี่ยมาติดเพื่อพระช่วยทางานเวลา งานแบบของวัดงานใหญ่ๆอ่ะพักก็ทำงานกันมมองป้ายนิดนึป้ายเขียนได้ใหญ่เลยแต่ละวัดหลายวัดจะมีกนการทำงานคือการปฏิบัติทําติดอยู่เพื่อให้กำลังใจคนทำงานคือว่าการทำงานเนี่ยเราสามารถทำในฐานกายได้ถ้าวางใจเป็นนะไม่จุนฝาดเลยไ ม, ไม้ล้างจานหั่นผักหั่นผักเราใช้ฝาลูกตัวนะถ้าหั่นไม่ดีโดนนิ้ว แล้วซอยผักซอยผลไม้เนี่ยคือถ้าผิดพลาดก็เจ็บตัวแล้วก็ผัดอาหารเหมือนกันถ้าเราทําไม่มีสติทําอาหารก็ไม่อร่อยหรอกเดี๋ยวผสมผิดสูตรปุงข้าวเดี๋ยวข้าวก็ไหม้พรต้องคำนวณให้ได้พอเหมาะมันใช้สติตลอดแหละดังั้นการเจริญสติสามารถใช้ได้ทุกเลียบบทถูสลา แล้วก็เดินไปเดินมาคนเราเนี่ยมักจะจ้องอย่เดินจงกรมไปฐานในทางจกจงกรมพอเดินออกมข้างนอกก็ทิ้งละซึ่งเดินจงกรมสามารถเดินได้ทั้งวันเดินไปไหนก็รู้สึกตัวเผลอไปกลับรู้สึกตัวนี่คือการปฏิบัติธรรมแล้คิดปุงแต่งเข้าไปลึกออกมาคือรู้สึกตัวก็คือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าต้องมายกมือทั้งวันอันนั้นก็คือทําเป็นรูปแบบแต่นอกรูปแบบเราก็ทําได้เก็บตกได้ตลอดรดน้ําต้นไม้รถไปก็รู้สึกตัวไป ทํางานไปรู้สึกตัวไปคุยกับเพื่อนรู้สึกตัวไปวันี้คุยผิดติดอารมณ์ก็มีโดนด่าหรือถูกดูเสียดสีอา้าวรู้สึกตัวออกจากอารมณ์นั่นได้ล้วอันนี้ได้ผลฝันมรู้สึกตัวใช้ได้แม้กระทั่งความฝันนะวอนี้ฝันในเรื่องไม่ดีเนี้ยฝันลามกหรือฝันในที่แบบไม่ดีย่างต่างเนี้ยพอรู้สึกตัวามาเราก็ไม่ไปไม่ไป ไ, ไปกับความฝันได้เราไปสามารถไปนั่งสมาธิหรือเคลื่อนมือในความฝันได้เนั้นฝันรู้สึกตัวเนี้ยมีอันที่สองมาก มารสับสนุนนะครับใครทำความเพียรใ น, นโมทนาหมดในวัดเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่มีตัวนี้นะเราก็เหมือนคนจนไม่มีตังค์ใช้เพราะว่าคิดธรรมะเนี่ยดับทุกไม่ได้หรอกมันดับได้บางเรื่องอะ่ะมันใช้เหตุผลรองรับแต่ถ้าผลึกตัวเนี่ยมันดับทุกได้จริงๆทุกความทุกมีหลายระดับนะะดับระดับเล็กๆน้อยจะถึงดับแบบมากเลยถ้าคนสติดีๆเนี่ยแค่คิดแค่แค่แค่คิด คิดแค่ชื่อคนที่ลอยนั่นนะมันมันจะหลุดมันทีเลยนะแต่ละคนเนี่ยไม่มีสติเนี่ยมันคิดลึกเลยเพอปรุงชื่อนี้ไปเรื่องนู้นเอ้าเมื่อก่อนไอ้คนที่เคยด่าเราเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันเคยว่าเราคิดไปเรื่องโอ้คิดไปลึกเลยเพเผอไปจําคนที่โกงเงินเรามาต้องกี่ปีแล้วเนี่ยมันจําได้แต่ตอนที่คนให้เงินเราเนี่ยมันไม่จําหรอกเพรนี่สายจิตมันเป็นอย่างนั้นแหละอย่างตอนเราสุขภาพดีมันก็ไม่จํานะมันไมปจํำมาตอนที่สุขภาพป่วย ตอนเราแข็งแรงมีความสุขมันไม่ค่อยจำหรอกไม่จำเรื่องทุกๆุจึงคนเราเนี่ยจึงโชคลายที่ว่าไม่รู้ตัวเองมีความเป็คนโชคดีเพราะว่าตอนโชคดีมันลืมมันไปคิดเรื่องให้ร้ายอันนี้ก็สมควรนะ่ะว่โชคร้ายตลอดชีวิตแลหลนะเพราะเรื่องดีไม่จำํจำอะจําเรื่องไม่ดีซุ่จิตเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ถ้าเราวางใจเป็นเนี่ยใครทำความดีกับเราเราก็จํา ใครทำไม่ดีแล้วก็ลืมใครมีบุญคุณต่อเราแล้วก็ตอบแทนอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยพระสารีบุตรรู้สึกว่ามีโยมมาให้ข้าวทั้งทัพพีเดียวนะนั่นจำเลยจำตลอดชีวิตนั่นเลยถึงเวลาบวชท่านก็รับบวชให้หาอุปชาไม่ได้โยมคนนั้นน่ะแล้วก็พระสารีบุตรเนี่ยไปย่อ ก, กระดันอยู่อย่างพระสัชชีเนี่ยไปนอนที่ไหนท่านจะหันหัวไปทางทิศนั้นเขาลบกูบ า, าจารย์ที่เป็นคนทําให้ท่านบารรลุโสดาบัน คามกระดายูเนี่ยเป็นสมบัติของคนดีแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยเราก็คนไม่ดีละคนเนรคุณอย่างคนที่เนรคุณพ่อแม่นะสังเกตดีๆจะจะคู่สองตำแหน่งมักจะเนรคุณครูบาอาจารย์ด้วยเป็เพื่อนเนรคุณเพื่อนที่ช่วยเหลืออีกเอาไปสามตำแหน่งเลยเพราะว่ามันจิตตัวเดียวกันอ่ะแต่ละคนที่ในกระดายูต่อพ่อแม่นะก็มักจะกระดายูกับครูบาอาจารย์กรนยูต่อเพื่อนแล้วก็จะ พอไปช่วยเหลือคนอื่นที่ตกทุกข์ได้ยากมันตรงข้ามกันน่ะ้จิตที่ได้รับการฝึกที่พัฒนาแล้วกับจิตที่ไม่รับการฝึกแล้วไม่เคยพัฒนาที่ตรงข้ามกันหมดเหมือนดำกับขาวมืดกับสว่างเหมือนแผ่นฟ้ากับแผ่นดินซึ่งไกลกันมากแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ายังไม่ไกลเท่ากับคนที่เป็นวิจฉาทิสติเพราะว่าคนที่เป็นวิจฉาทิสติจะไกลไกลมากเลยไกลแบบชี่เรียว่าไม่รูจะพูดยังไงอะ วัฏสงสารเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าคนพิฉัยถิ่นเนี่ยมันจะไม่เชื่อว่าบุญมีบาปมีแล้วก็บางทีงมงายด้วยแล้วก็บีบยึดอะไรที่ผิดๆไว้คิดว่าตายแล้วศูนย์บ้างคือเห็นได้ประโยชน์เฉพาะหน้านั่นเองที่ท า, ทาบางทีทาให้เสียผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับเสียโอกาสบางทีเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเกิดยากพอเกิดมาแล้วเราก็ต้องพัฒนาให้ได้ พัฒนาเพื่อใหดีที่สุดทาที่เราทําได้แหละถึงไม่มมัน ไ, ไ่บรรลุผลที่ผ่านในชาตินี้เราก็ตั้งจิตไว้ชาติเราไปเราก็บรรลุไว้ไล้ก็อาจจะบรรลุได้ขอเรามีเป้าหมายสมาธิถ้าเรามีเป็นวิชายที่เราอยากเกิดเป็นเทวดาไปเสีบสุกนางฟ้าซึ่งเดี๋ยวเทวดาก็บทบุญก็มาเกิดอีกมเผอเกิดเป็นสัตว์โลกตกโลกก็ได้หรือเกิดเป็นคนจนก็ได้ซึ่งไม่แน่พวกนี้เพราะว่า พ, พระพรมพเทวดาในหมดบุได้หมดซึ่งมีมนุษย์นี่แหละที่ดีที่สุดเพราะมนุษย์เนี่ยรู้จักทุกเนี่ยรู้จักทุกก็กจะเห็นธรรมคือถ้าเราไม่รู้จักทุกเราเราก็ไม่ควรไปปฏิบัติธรรไปทำไมนั้นพวกเศรษฐีเนี่ยจะปฏิบัติทํามยากคนคนที่มีของมากๆเนี่ยมียศถาบรดาศากดิ์มากยากมากเลยเพราะมันอยู่ในโลกธรรมด้านบวกอ่ะถ้าเขาเห็นทุกเนี่ยมันจะเริ่ม เริ่มรู้สึกว่าชีวิตไม่มั่นคงแล้วอยากอยากหาทางออกอยากจากกรรพนเนี่ยคือสุดยอดความทุกข์เลยท่านก็ดินน้นรนจนหาทางออกได้โดยมาเจอสติแนวหลวงพ่อเทียนเนี่ยขณะท่านไม่ได้เคลื่อนมือสิบสี่จังหวะนะเคลื่อนจังหวะเดียวอะพลิกไปพลิกมาบางทีก็ใส่หัวไปใส่หัวมาเคลื่อนเคลื่อนไปตลอดเพราะท่านไม่มีทางเลือกเดินไปไหนก็ไม่ได้ท่านก็ทิชชี่ทิชให้ากับการภาวนาเต็มที่เลย เห็นว่าเห็นท่านบอกว่าเดือนเดียวท่านก็เห็นรูปนามแยกรูปแยกนามได้หลุดหลุดอิสระจากความคิดเพราะคนเราเนี่ยถ้าแยกรูปแยกนามไม่ได้เนี่ยความคิดจะเดินเส้นเดียวกันมันไม่แยกคือเป็นผู้เป็นไงคิดไปก็ปูเป็นผู้คิดตลอดอะแล้วตัวรักคิดก็โผล่ตลอดมันเผลอก็เอากิเรตมาให้เดี๋ยวห้องเขียนบอกรักคิดไงคือความคิดปรุงแต่งที่โผล่ขึ้นมาเองมันก็เอากิเลตมาให้ บาทีมันก็เอากรรมเวีนมาให้เหมือนกันที่เราสร้างไว้อ่ะให้ชดใช้จุดชนวยให้เราเกิดโทสะไปทุบตีกับคนอื่นเข้าคุกเข้าตะลางก็มีถึงจุดหนึ่งเนี่ยตัวนี้ไม่จะทางานแต่ถ้าเรามีสตินะรู้สึกตัวเนี่ยเราสามารถทํากรรมหนักให้เป็นกรรมเบาได้คือสามารถล้างกรรมได้ที่อาจจะรับกรรมก็รับไม่มากแต่คนไม่รู้นี่รับเต็มๆเลยธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรา มันเหมือนกับถ้าไปทางโลกนะจับคนคนที่รู้กฎหมายเนี่ยไปทําผิดเนี่ยจะมีโทษหนักเพราะถือว่าทำผิดแล้วช่อฉนซิกแซกอันนี้มีโทษหนักแต่ทางทํามไม่ใช่นะทางธรรเนี่ยคนรู้เนี่ยได้เปรียบคนไม่รู้คือทําผิดข้อหาเดียวกันแต่รับกรรมเบาวกว่าอาบัตตัวเดียวกันเนี่ยรับน้อยกว่าแต่คนไม่รู้มันเหมือนกับจับกรรมฐานกรรมไปกรรมไปแล้วไม่ยอมปล่อยยิ่งกรรมก็ยิ่งร้อนยิ่งไหม ถือทางโลกถ้าทมนี่เหมือนกันคนรู้ดีกับไม่รู้คืออุปทานการยึดน่ะแตกต่างกันคือยึดไม่หนักกรรมก็ไม่หนักแล้วก็ผิดไม่มากแต่ถ้ายึดมากก็บาปมากคนตกอาลกได้เพราะว่ายึดถืออะไรที่ไรสาระก็มีแต่คนไม่ยึดมัน ก, ก็ไม่ทุกการยึดถือเนี่ยสําคัญเวลาสวดบนธรรมเช้าเนี่ยอันมาติดอยู่จําอยู่บทหนึ่งแม่นเลยตอนหนึ่งแม่นเลยอุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกขันห้าเฉยเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ขันห้าที่อุปทานเนี่ยน่ากลัว คนเราจะไม่รู้ตัวนี้มิวประทานยึดแต่ขันท่าว่าเป็นของกูเป็นของกูตัวกูของกูเมียกูลูกกูลูกกูผัวกูสมบัติของกูเนะี่ยมันแบกหมดอ่ะมันยึดหมดอ่ะเพราะธรรมดาคนเราห้าขันก็ทุกอยู่แล้วพอไปยึดยึดของลูกสมมุติถ้ามีลูกคนนึ่งก็ยึดยึดถึงห้าขันไปสิบขันเมียเอาสิบห้าขันถ้ามีลูกหลายคนอ่ะเราบวกไปอีกคนละห้าขันอ่ะอันนี้เละเลยเต็มได้วยความทุกข์ เพื่มาก็เห็นว่าธรรมสะสัเพยาะเนี่ยก็เห็นว่าพูดว่งสมควรเวลาแล้วก็ถือว่าทั้งพรรษาก็ต้องขอบใจ ญ, ญาติโยมและเพื่อนชาวมิกที่ว่าให้โอกาสให้นำมาได้แจ้งเกิดได้พูดได้หัดพูดได้เป็นเ ด, เดี๋ยวปิดท้ายได้ก่อนแล้วก่อนหนึ่งตอนของหลวงพ่อพุทธทาสให้กระจายคนทํางานเดี๋ยวพวกนี้ก็ร่วมแรงร่วมใจสามพักกันทำงานก่อนนี้ให้ชื่อว่าการทํางานทำให้ชี้สดใส การงานนั้นประเสริฐตรงที่สนุกถ้ายิ่งทำยิ่งไปสุขทุกสถานทำชีวิตให้สดใสใจเบิก บ, บานอยู่ในการงานประจำวันนั่นเองนาเมื่ออย่างนี้มีแต่คนวิมลจิตเยน็นสถิตดวงใจไร้โทสะเกิดสังคมที่อุดมด้วยเมตตาอยากเรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมผลท่องงานล้นเหลือเกือแผ่ทั่วสัตว์ทุกตัวใหญ่น้อยพลอยสุขสม ทั้งเมืองเล็กเมืองใหญ่ได้ชื่นชมโลกระดมสุขวางทางนิพพานขอฝาสุขว่าเจริญจงมีแก่ทุกท่าน